50 languages. <tries> Cincuenta. Now. Tímpani. Lufesina da Coreus. Tímpani. de c r e c s p r e r a ที่ทำการไพรส์ น, สนีใกล้จากที่นี่ไหมที่ไหนคือระยะที่จะไปที่ออฟฟิศในเด็คก r เรอุสเมสพร็อกมตู้ไปรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน On és la b ะยะที่จะไปที่ออดสิมดิฉันต้องกนนารสเต็มสองสามดวง Necessito วกุนส s เซเจ l ส์สำหรับการ์ดและจดหมาย ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ One costal f r a n k a g para America พัสดุหนักเท่าไหร่ n p e s, 1> <S, 1> el, <S, <S que el p per via a q u e t ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม g a l p u c a m b i a p a r vía aérea ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง q u a n t e m Striga finscariba ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Onpuktruka ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Ones la cabina t e l e f ò n i c a m é s próxima คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ g t un tarjeta de teléfono คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ t ก una g u ี a t e l e f อ n i c a คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ s สเปลคอด p ป r ทลู c a r a อ u s t r i a รอสักครู่ขอดูก่อนนะคะอุนโมเมนบาจาเบล r าสายไม่ว่างตลอดเวลา La l í n น a e s t า s ซมเปราอุคุปดา คุณต่อเบอร์อะไรคินนุมารมาร์กาดบูสเตคุณต้องกดศูนย์ก่อนปริเมอดามาร์า